วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธทิคุณและพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณเป็นบุคคลที่พุทธศาสนิกชน ให้ความเคารพนับถือเรื่อมใสเทิดทูนบูชาอย่างยิ่งการบูชาพระพุทธเจา้าและพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสา์ในทางพระพุทธศาสนานี้มีแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับแรก เรียกว่าอามิสบูชาระดับที่สองระดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชานี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนามีอยู่สองระดับระดับแรกสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็บูชาด้วยอามิสบูชา คือบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนเครื่องสักการะต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเป็นพระพุทธรูปเป็นการสร้างพระพุทธรูปเป็นการสร้างโบสถ์สร้างพระเจดีย์สร้างศาลาสร้าง ถาวรวัตถุต่างๆสร้างวัดการกระทําเหล่านี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยอามิส อ, อามิสก็คือวัตถุเข้าวของต่างๆสิ่งของต่างๆอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของต่างๆ เพื่อเทอิดทูนพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอันนี้เป็นขั้นแรกและขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองนี้คือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอน ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายดำได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความเคารพนับถือและมีความปรารถนาที่จะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูบชาผลที่จะได้รับจาก การบูชาสองรูปแบบนี้ก็มีความแตกต่างกันผลบุญผลกุศลที่จะได้รับจากอามิสบูชาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับถูกเลขท้ายสองตัวสำหรับท่านที่ชอบเล่นนอตเตอรี่คงจะเข้าใจว่ามีหลายรางวัลด้วยกันรางวัลแต่รางวันนี้ก็มี ค่าตอบแทนไม่เท่ากันขั้นต่ำก็คือเลขท้ายสองตัวสามตัวนี่ก็เป็นลักษณะของบุญกุศลของผู้ที่จะทำการอมิสบูชาจะได้รับกันคือได้รับเพียงแต่เลขท้ายสองรางวัลเลขท้ายสองตัวหรือสามตัวเท่านั้นซึ่งก็มีคุณค่าราคา แต่ไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับรางวัลอื่นๆส่วนการปฏิบัติบูชาผลที่จะได้รับนั้นก็ได้มีมากกว่าผลที่จะได้รับจากการอามิสบูชาคือถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้ารางวัลเปรียบเทียบกับทางลอตเตอรี่ก็ เริ่มต้นตั้งแต่รางวัลที่ห้าขึ้นไปจนถึงรางวัลที่หนึ่งเพราะการปฏิบัติก็มีเป็นขั้นขั้นปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยผลที่จะได้รับก็จะต่างกันไปแต่ก็จะเป็นผลที่มากกว่าที่จะได้รับจากอามิสบูชาอามิสบูชานี่ก็เหมือนได้รางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัว ปฏิบัติบูชานี้ก็จะได้รางวัลที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองและที่หนึ่งตามลาดับผลที่ได้รับจากการอมิสบูชาก็คือจะได้รับเทวทรัพย์นี่เองการได้เป็นเทวดาการมีทรัพย์สมบัติของเทวดาเนื่องจากการทำบุญให้ทานนี่เองที่จะสะสม เทวรัพย์ต่างๆไว้ในจิตใจของผู้กะระทาอมิสบูชาตายไป <c oughs> ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆถ้าไม่ได้มีการกะระทำบาปมากกว่าการกะระทำบุญแต่ถ้ามีการกะระทำบาปมากกว่าการกะระทาบุญก็ยังจะไม่ได้ไปรับทรัพย์ ของเทพไปคือไปรับเทวทรัพย์เพราะจะต้องไปใช้หนี้ก่อนไปติดคุกติดตารางในอบายก่อนเนื่องจากการทำบาปนี้ <c oughs> ได้ทำไว้มากกว่าได้ทำบุญนั่นเองดังนั้นสาหรับผู้ที่ทำอามิสบูชาและต้องการที่จะรับรางวัลก็อย่าไปทำบาปพยายามทำบาปให้น้อย ว่าการทำบุญทำทานไม่เช่นนั้น <c oughs> ก็จะเหมือนคนที่ถูกออตเตอรี่เลขท้ายสองตัวแต่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะไปทำผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่มีโอกาสที่จะออกไปรับรางวัลได้ <c oughs> เพราะต้องไปติดคุกติดตารางก่อน <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปหรือทำบาปน้อยกว่าทาบุญ ถ้าทำผิดกฎหมายก็เป็นเป็นผิดกฎหมายข้อเล็กๆน้อยๆเช่นรอลงอาญายังไม่ถึงต้องติดคุกติดตาราง <c oughs> ก็สามารถที่จะไปรับรางวัลที่ถูกได้ <c oughs> เช่นเดียวกับผู้ที่ทำการอมิสบูชานี้ถ้าทำบุญมากกว่าได้ทำบาต เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะได้ไปรับผลบุญก่อนก่อนที่จะไปใช้ผลบาทต่อไปในภายภาคหน้าแต่ถ้าตราบใดการทำบุญนี้มีมากกว่าการทำบุญทำบาปก็ยังไม่ต้องไปรับใช้โทษคือยังไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นสมมติว่าทำบุญไว้ มากกว่าทำบาปในภพนี้ชาตินี้พอตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทพไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพไปก่อนแล้วพอบุญที่ได้ไปใช้ในสวรรค์ชั้นเทพหมดลงระดับของบุญกับระดับของบาปมีความเท่าเทียมกันบาปก็ยังดึงให้ไปเกิดนอบายไม่ได้ เพราะบุญยังมีเหลือไว้สำหรับดึงไว้ไม่ให้ไปเกิดในอบายช่วงนั้นก็จะลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีการทำบุญอย่างต่อเนื่องต่อไปเหมือนกับที่ได้ทำไว้ในภพก่อนชาติก่อนเพราะมันมีนิสัยที่จะติดตัวมาด้วยผู้ที่ชอบทำบุญก็มักจะทำบุญ ผู้ที่ชอบทำบาปก็มักจะทำบาปอันนี้ก็ถ้ายังกลับมาเป็นมนุษย์แล้วยังมาทำบุญต่อแล้วทำบุญมากกว่าทำบาปก็ยังไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายหลังจากที่ร่างกายตายไปทุกขังไป น, นี่คือประโยชน์สุขที่ผู้ทำอามิสสบูชาจะถึงได้รับ จากการกระทำอมิสบูชาอมิสบูชานี้เป็นการกระทำที่ง่ายกว่าการปฏิบัติบูบชาเพราะการปฏิบัติบูชานี้จําเป็นที่จะต้องรักษาศีลและบําเพ็ญจิตตภาวนาเป็นการก็ปฏิบัติที่ต้องใช้เวลามาก ไม่เหมือนกับการทำอมิสบูชาอมิสบูชาเพียงแต่จ่ายเงินบริจาให้กับวัดกับสถานองค์กรต่างๆให้ไปทำคุณทำประโยชน์ก็เสร็จเรียบร้อยนะแต่การปฏิบัติบูชานี้เป็นการกระทำที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเกิดผล ศีลก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จะรักษาเฉพาะเพียงแต่วันพระวันการรักษาศีลในวันพระนี้เป็นการเริ่มต้นของผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีลซึ่งยังอาจจะรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ทุกวันก็ให้เริ่มต้นที่วันพระก่อน วันพระหรือวันไหนที่สะดวกต่อการรักษาโดยเฉพาะศีลที่เกี่ยวข้องกับการภาวนาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการปฏิบัตินี้จะปฏิบัติได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของศีลศีลที่จะปฏิบัติที่จะสนับสนุนการปฏิบัตินี้ ต้องเป็นศีลที่สูงขึ้นจากสูสงกว่าศีลห้าคือศีลแปดขึ้นไปแล้วแต่สถานภาพของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกายังเป็นผู้คลองเรือนอยู่ยังไม่ได้สละการคลองเรือนก็ให้ถือศีลแปดไปก่อน แตถ้าอยากจะออกบวชเป็นนักบวชเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นสนัมมาณีก็ถือศีลสิบถ้าเป็นพระก็ถือศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดข้อถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ถือศีลสามร้อยกว่าข้อบวชเป็นภิกษณุณีถ้ามีการบวชภิกษุณีอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้ในสังคมของพุทธไทยนี้เราไม่มีภิกษุณีการบวชภิกษุณีแล้วเพราะถือว่าได้ขาดตอนไปแล้วเมื่อภิกษุณีได้ขาดตอนไปไม่มีภิกษุณีหลงเหลืออยู่แล้วจะลื้อฟื้นกลับขึ้นมาเองนี่ทำไม่ได้เพราะตามพุทธบัญญัติตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว การจะบวชภิกษุณีนี้จําเป็นที่จะต้องมีสงสองฝ่ายคือฝ่ายภิกษุและฝ่ายภิกษุณีเป็นผู้เป็นผู้ให้เป็นสักขีพยานเป็นผู้อนุญาตให้บวชได้เพราะการบวชนี้ก็คือการเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่เป็นนักบวชเช่นถ้าเป็น ผู้ชายอยากจะบวชพระก็ต้องมีภิกษุสงฆ์คือมีกลุ่มของพระอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปในในในแหล่งที่มีพระสงฆ์มากแต่ถ้าไปอยู่ในแหล่งที่หาพระสงฆ์ได้ยากก็ทรงอนุโลมให้มีได้ห้ารูปขึ้นไปห้ารูปก็บวชพระได้ถ้าไปอยู่ ในประเทศที่หาพระยากก็อนุโลมให้มีแต่อย่างน้อยต้องมีพระสงฆ์ห้ารูปเป็นสักขีขยายแต่ถ้าอยู่ในประเทศเช่นประเทศไทยที่มีพระมากจะบวชก็ต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปอันนี้สำหรับผู้ชายสำหรับผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุสำหรับผู้หญิงในในอดีต ในสมัยที่ยังมีภิกษุณีอยู่การบวชภิกษุณีนี้มีจำเป็นจะต้องบวชผ่านสองสองคณะคือบวชผ่านคณะภิกษุณีแล้วก็ต้องไปบวชกับพระภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่งคือต้องมีการรับรองจากภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์จึงจะถือว่าเป็นการบวชที่สมบูรณ ตามหลักพุทธธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีสงแล้วจึงไม่สามารถที่จะบวชภิกษุณีได้แต่การบวชนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิบัติบูชาแต่อย่างไรเป็นเพียงรูปแบบของการ อยู่แบบนักบวชเท่านั้นซึ่งถ้าไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ก็ยังสามารถบวชเป็นแม่ชีได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกับภิกษุณีได้สำหรับแม่ชีนี้ก็มีศีลที่จะต้องรักษา8ข้อหรือ10ข้อแล้วแต่จะเลือกเอาบางท่านก็เลือกรักษาศีล8ข้อ บางท่านก็เลือกรักษาศีลสิบข้อซึ่งเป็นศีลแบบสัมมณีศีลของสัมมณีนี่ก็พอเพียงต่อการที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นแม่ชีแล้วอยากจะเข่งขันอยากจะรักษาศีลของภิกษุณีก็ไม่มีใครห้าม ศีลของพุทธศรีก็ไปศึกษาอ่านได้ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี้จีมีจะแบ่งไว้สามสามปีดกด้วยกันพระไตรแปลว่าสามพระไตรปิฎกนี้จะแบ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้สาสามกองแต่ละกองเราเรียกว่าปิดกไตรแปลว่าสาม พระไตปิฎกนี้มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งไว้เป็นสามสามกองเพื่อความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองพระไตปิฎกกองแรกเรียกว่าพระวินัยปิฎกพระวินัยก็คือเรื่องศีลของพระภิกษุและภิกษุณีนี่ศีลของพระภิกษุก็มีสองรอยี่สิบเจ็ดข้อ ศีลของภิกษุณีก็มีสามร้อยสิบกว่าข้อถ้าจําไม่ผิดถ้าท่านที่อยากจะรักษาศีลของภิกษุณีก็ไม่มีใครห้ามสามารถเข้าไปอ่านในพระวินัยปิฎกได้ไปอ่านเรื่องศีลของภิกษุณีสามร้อยกว่าข้อนี้ได้และในพระวินัยปิฎกนี้จะมีการแจ้งเหตุผลของการ ศีลข้อต่างๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเหตุผลอย่างไรท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปอ่านในวินัยปิฎกได้วินัยปิฎกนี้จะมีเรื่องศีลของภิกษุและเรื่องศีลของภิกษุณีส่วนอีกสองปิฎกนี้ก็คือพระสุตตพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิดกพระสุดตันตะก็คือธรรมะคำสอนที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ ต, ตามเวลาต่างๆอันนี้จะเป็นการเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมสุดนี้ที่ไหนบ้างมีเวลาไหนมีใครฟังบ้างอย่างนี้อันนี้เรียกว่าพระสุดตันตะปิดกส่วน ปิดกที่สคือพระอภิธรรมปิดอกนี้จะเป็นการรวบรวมเอาธรรมะคำสอนลูนๆนมารวมไว้โดยไม่มีการแสดงเรื่องของเวลาที่แสดงหรือสถานที่แสดงว่าทรงแสดงไว้ที่ไหนเมื่อไหรให้ใครฟังแต่เป็นการรวบรวมธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ มาจัดเก็บไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อการสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาตัวธรรมะล้วนๆโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าธรรมะเหล่านี้เกิดเวลาแสดงนั้นได้ทรงแสดงไว้ที่ไหนก็ได้นี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎก ตายแปลว่าสามปิดกแปลว่ากองหรือหมวดหมู่สาหมวดหมู่ด้วยกันหมวดพระธรรมวิไยหมวดพระสูตรและหมวดพระอภิธรรมนี่ที่เราเรียกกันว่าพระตายปิดกนี่เป็นคำภีหลักของพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีคำสอนของใครแทรกแซงเข้ามาเลย และได้มีการรับรองจากพระอราหันต์ห้าร้อรูปในครั้งแรกของการมีสังคยาคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ท่งทเสดจดับขันธ์ทะปลิกนิพพานไปแล้วพระอาหารหันเถระคือพระมาหากัปสะก็ท่งแจ้งเจตนาให้แก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายให้ทราบว่าต้องการที่จะทำการสังคยา คือทำการตรวจสอบเพราะทำคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระภิกษุได้ศึกษาได้ท่องจำกันไว้ในใจนี้ให้เอามาตรวจตากันว่าจำผูจำถูกจำผิดหรือไม่และการสังฆยา น, านานี้ก็จะมีพระอราหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันเป็นผู้ที่เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างเนี่ยอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้ที่ได้นำเอาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนบรรลุถึงพระธรรมขั้นสูงสุดคือข้านอรหาธผลและขั้นนิพพาน mm hmm. จึงรู้ว่าธรรมชนิดใดเป็นธรรมแท้และธรรมชนิดใดเป็นธรรมไม่แท้ mm hmm. เพราะบางครั้งการจดจำมันก็อาจจะจำแบบคลาดเคลื่อนไปได้นั่นเอง ด้วยความวิตกห่วงใยในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอยากจะรักษาพระธรรมนี้ไว้ไม่ให้หายไปกับการเสด็จกลับขันธปานิพันธ์ของพระพุทธเจ้าพระมหากัสสะเถระซึ่งเป็นพระเถระของพระอาหารหันต์ก็ได้มีการปรึกษาและกำหนดเวลาคือสามเดือน หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันไปแล้วให้พระอรหันต์ห้าร้อรูปมาร่วมกันสังคายนณามาตรวจสอบพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระภิกษุทั้งหลายได้มาจดจำไว้นี้ให้เอามาเทียบเทียงกันแล้วมาดูว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแล้วก็ได้มีการท่องจำมา ต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคที่มีการพิมพ์เป็นตัวอักษรขึ้นมาก็เลยมีการพิมพ์เป็นหนังสือเป็นตำราขึ้นมาแต่ก็มีการสังคายนามีการตรวจสอบมาเป็นระยะ ะ, ยะอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้ที่ต้องการจะศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องกังวลว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนที่เชื่อได้หรือไม่สามารถเชื่อได้วรามีการรับรองมีการตรวจสอบจากพระอารหันต์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้าไม่สามารถที่จะไป พระ อ, อริยสงสาวุกพระพุทธเจ้านี้ท่านก็จากไปแล้วก็มีพระ อ, อริยสงสารกคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิบันโนทั้งหลายถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าท่านเป็นใครก็ให้ศึกษาจากพระไตรปิฎกไปก่อนก็ได้ซึ่ง คณะสงฆ์ในปัจจุบันก็มีการจัดเอาธรรมะที่เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญมาใส่ไว้เป็นหลักสูตรหลักสูตรนักธรรมมีสามท่านด้วยกันคือนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้พระที่บวชใหม่จํำเป็นที่จะต้องศึกษา ธรรมะนักธรรมตรีโทเอกแต่ขั้นแรกให้นักศึกษานักธรรมตรีก่อนปีแรกถ้ามาบวชใครที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้จําเป็นจะต้องศึกษานักธรรมตรีกันเพื่อจะได้รู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสังเกตก่อนไม่จาเป็นที่จะต้องศึกษาจากทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งพระไตรปิฎกเลย เพระพไตรปิฎกถึงแม้ว่าจะมีคำสอนมากมายแต่คำสอนส่ว น, นใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกันคล้ายกันเหมือนกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำสอนที่แบ่งไว้เป็นเกี่ยวกับหลายเรื่องด้วยกันแต่คำสอนหลักที่ต้องศึกษาก็คือวิธีการ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็มุ่งไปที่คําสอนที่เกี่ยวกับการดับความทุกข์ซึ่งคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรของนักธรรมนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอก ซึ่งผู้ที่มาบวชนี่ก็จะศึกษานักธรรมตรีกันเช่นในช่วงเข้าพรรษานี้จะมีการสอนนักธรรมตรีให้กับพระที่บวชใหม่แล้วปลายพรรษาก็จะมีการไปสอบสอบเพื่อจะดูวัดดูว่าจำได้หรือไม่สิ่งที่ได้ริ่มเรียนมาจำได้ถูกต้องหรือไม่อันนี้ยังเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติบูบชาคือก่อนที่จะปฏิบัติบูชาได้จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าจะต้องปฏิบัติตอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องมีการศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือไม่เช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องไปศึกษากับ พระอรอิ ย, อยสงฆ์ถ้าไปศึกษากับพระอริยสงฆ์โดยตรงเช่นถ้าได้ไปอยู่ตามสำนักของพระสุปฏิมนโนนี้ท่านก็จะสอนแบบนอกตาําราสอนจากประสบะการณ์ของท่านแต่ก็ไม่ไม่ผิดไปจากตาําราก็ยังยึดหลักของตําราเป็นหลักแต่ไม่มีการที่จะต้องมานั่งจดมานั่งจำ ให้ปฏิบัติไปเลยสอนอะไรแล้วก็ให้ทำไปเลยเช่นสอนทุดงคาวัตสอนให้ทำอะไรก็ทำสอนให้พระบินทะบาสอนให้พระฉันมือเดียวสอนให้พระอยู่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อันนี้ก็เป็นการสอนไปและปฏิบัติไปควบคู่ไปเลย สอนให้รักษาศีลสองอยีิบเจ็ดข้ออันนี้พระภิกษุทุกรูปจะต้องเรียนรู้กันว่าศีลของพระมีอะไรบ้างเพราะว่าจะมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆเดือนหนึ่งนี้จะมีการลงพระอุโบสถลงบวดเพื่อสวดปาติโมกข์เพื่อฟังการสวดปาฏิโมกข์ปาฏิโมกข์ก็คือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนี้เรียกว่าปาติโมกข์ พระจะได้มีการทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าจะต้องรักษาศีลอะไรบ้างถ้าไม่มีการทบทวนอยู่เรื่อยๆก็อาจจะลืมได้พระพุทธเจ้าก็เลยส่งกาหนดให้พระภิกษุทุกลูปต้องลงฟังพระปฏิโมกเดือนละสองครั้งด้วยกัน ทุกสิบห้าวันอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องการศึกษาระดับศีลก่อนที่พูดวันนี้ก็มาเล่า เ, าเรื่องราวของศีลว่าสำคัญต่อการปฏิบัติถ้าไม่มีศีลแล้วนี้ใจจะคึกขนองใจจะปราบยากแต่ถ้ามีศีลแล้วนี้ก็เป็นเหมือนมีคอก มีกลงไว้ขังกิเลสที่ทำให้ใจเกิดความคึกกนองนั่นเองถ้าไม่มีการรักษาศีลอยให้ทาอะไรตามความอยากความต้องการของกิเลสตัณหาได้การที่จะมาจับให้ทำใจให้สงบให้นิ่งนี้จะเป็นไปได้ยากนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องของศีลก่อน เรื่องของการรักษาศีลว่าจะรักษากันอย่างไรซึ่งก็ต่างกันไปสําหรับสถานภาพของผู้ปฏิบัติเองถ้าเป็นผู้ครองเรือนอยู่มีความปรารถนาที่อยากจะรักษาศีลขั้นพื้นฐานนี้ก็ให้รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ายังไม่เคยรักษาศีลเลยก็ให้หัดรักษาศีลห้าไปก่อน และให้รักษาให้เป็นนิจสินคือให้เป็นมิจัยคือรักษาตลอดเวลาไม่ใช่จะรักษาเพียงแต่วันพระวันเดียวเท่านั้นยกเว้นว่าถ้าเป็นการเริ่มต้นยังไม่พร้อมที่จะรักษาศีลได้ทุกวั น, ก, วนก็อาจจะเริ่มเอาวันใดวันหนึ่งที่สะดวกซึ่งมักจะเลือกกันวันพระซึ่งคาว่าวันพระนี่หมายถึงวันหยุดทางาน พอวันหยุดทางานนี้จะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางโลกทางสังคมก็จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าวันที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับทางสังคมอันนี้ก็เป็นการรักษาขั้นต้นคือรักหััดรกษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้ายังไม่เคยรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย คือปล่อยให้อยากจะฆ่าก็ฆ่าอยากจะตบยุงก็ตบอยากจะฆ่ามดมแมลงก็ฆ่าอยากจะเอาของของคนอื่นก็หยิบเอาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอยากจะประพฤติผิดกระเวนีก็ประพฤติผิดประเวนีเที่ยวบาเที่ยวปรับเที่ยวซ่องอยากจะโกหกหลอกลวงก็พูดโกหกหลอกลวงไป อยากจะดื่มของมึนเมายาเสพติดต่างๆก็เสพไปอันนี้คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีสิงห้าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการที่จะเอาเวลามาปฏิบัติจิตตะภาวนานี้ก็แทบจะไม่มีเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจิตจะมัวหมกวุ่นอยู่กับการทำบาปต่างๆนี่ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะทำการปฏิบัติบูชาขั้นต้นก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนหัดรักษาศีลเริ่มที่ศีลห้าอ า, อาจจะทำแต่เฉพาะวันหยุดทางานไปก่อนแล้วต่อมาเมื่อสามารถรักษาได้แล้วก็อาจจะขยายเวลาเพิ่มจากหนึ่งวันเป็นสองวัน สอวันเป็นสามวันขยายเวลาการรักษาศีลไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็รักษาได้ทุกวันรักษาให้เป็นนิจศีลรักษาให้มันเป็นปกติให้มันเป็นนิสัยไปพอมันรักษาเป็นนิสัยนั้นมันจะง่ายเหมือนกับเวลาที่เราทำอะไรประจำตลอดเวลานี้เราจะทำง่าย ว่าทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่เราไม่ทำไม่เคยทำมาก่อนนี้ต้องคอยบังคับต้องคอยหัดคอยฝืนถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่คอยบังคับไม่คอยหัดคอยฝืนมันจะทำได้ยากการรักษาศีลก็เป็นอย่างนั้นสำหรับบางท่านไม่เคยรักษาศีลมาก่อนเลยก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่า ท่านที่เคยรักษาศียงมาแล้วคำว่าเคยรักษาศียงมาแล้วก็เคยหมายถึงอดีตชาตินี้ชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้มีเพียงแต่ชาตินี้ชาติเดียวดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเรานี้มาเกิดมาเปลี่ยนร่างกายทท่า น, นั้นเองแต่นิสัยของที่เราเคยทำอะไรไว้นี้มันมากับดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเรา เราเคยรักษาศีลห้าเราก็จะมารักษาศีลห้าได้ง่ายก่าถ้าเราไม่เคยรักษาศีลห้าเราเคยทำอะไรมามันจะทำง่ายเพราะมันเป็นนิสัยติดตัวเรามานั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่มีเราไม่มีนิสัยเดินอยู่อดีตไม่เคยรักษาศีลมาพอดีพบนี้ชาตินี้ได้มาเกิดในครอบครัวของผู้ที่มีศีล แล้วก็สั่งสอนเราให้รักษาศีลกันเราก็ต้องพยายามฝืนนิสัยเดิมนินสัยเดิมที่ไม่ที่ไม่รักษาศีลก็ต้องพยายามฝืนเวลาที่จะทำบาปข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องพยายามห้ามใจไว้ฝึกไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะง่ายจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาได้เป็นนิจศีลขึ้นมา ศีลศีลที่เป็นนิจศีลก็คือเป็นเป็นนิสัยติดอยู่กับใจแล้วทีนี้ไม่แทบจะไม่ต้องบังคับเลยไม่ต้องบังคับให้รักษาศีลเพราะมันจะเป็นอัตโนมัตินี่คือของการรักษาศีลขั้นต้นขั้นแรกของการปฏิบัติบูชาต้องมีศีลก่อนแล้วพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องเพิ่มศีลขึ้นไปอีก สามข้อถ้าเป็นผู้ครองเรืออยู่แล้วอยากจะไปปฏิบัติทำขั้นจิตตะภาวนาหรือการปฏิบัติสมาธิและปัญญาหรือรสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานี้จำเป็นจะต้องมีเวลาไปปฏิบัติและการจะมีเวลาไปปฏิบัติก็ต้องมีการห้ามปราม กิจกรรมที่ไม่ควรจะทำนี่คือกิจกรรมการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขจากกิจกรรมเหล่านี้นี่คือที่มาของการรักษาศิ้นแปะทำไมาเราต้องรักษาศิ้นแปะเพิ่มอีกอีกสามข้อเพราะสามข้อนี้เป็นข้อห้ามไม่ให้ไปเสียเวลา ก, การหาความสุขทางตาหูจํานูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามฉันทะกามคุณห้าเราต้องละกามคุณหต้องถือเนคข ม, มะเนคข ม, มะก็คือการระงับการหาความสุขทางกามคุณหได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะชนิดต่างๆคือการดูการฟังการกินการดื่มการรับประทาน การหาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆหรือความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นหรือความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายและการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายคือการหลับนอนบนเตียงมโหโฬานเตียงสํารานเตียงที่ เอืออำนวยต่อความสุขความสบายก็จะทำให้นอนมากกว่าที่จําเป็นจะต้องนอนก็ต้องมาละกับพุทธกรรมเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ใช้กับพุทธกรรมกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการภาวนานี้เองมาให้กับการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลำดับ จำเป็นจะต้องมีเวลาถ้าเอาเวลาไปใช้กับการดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปร่วมหลับนอนกันมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาได้อย่างเป็นที่นั่นเองอาจจะภาวนาได้เพียงเล็กน้อยครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ถ้าเราต้องการจะภาวนาปฏิบัติธรรมหลายๆชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง เพราะผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่ปฏิบัติเพียงแค่ทั้งละสามสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างนี้ผลเกิดยากแล้วเกิดไม่ได้มากด้วยดัยงนั้นผู้ที่ต้องการที่จะได้รับผลจริงๆนี้จำเป็นที่จะต้องมาหัดถือศีลแปดกันถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ถ้าไปบวช เป็นเนรก็ต้องถือศีลสิบถ้าบวชเป็นพระก็ต้องถือศีล2องร้บถ้าบวชเป็นแม่ชีก็ถือศีลสิบหรือจะถือศีลของภิกษุณีก็ได้ไม่มีใครห้ามเพียงแต่ต้องไปศึกษาเอาเองไม่มีใครสอนเพราะไม่มีภิกษุณีที่จะมาสอนศีลของภิกษุณีแล้วแต่ยังมีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกอยู่บรรจุไว้ในพระพระวินัยปิฎก ที่ผู้ที่สนใจที่จะต้องการจะรักษาเพื่อความเขร่งคนัดของศีลของผู้ปฏิบัติก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นี่คือศีลที่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นจากศีลห้าก็ต้องเป็นศีลแปดศีลห้านี้ศีลข้อที่สามก็ต้องเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือ การไม่ประพฤติผิดประเพณีหมายถึงให้เราร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเท่านั้น<ม>เรียกว่าไม่ไมผิดประเพณีถ้าไปเราไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเรานะี้เรียกว่าเป็นการประพฤติผิดประเพณีแต่ถ้ามารักษาศีลแปดนี้ศีลข้อนี้ก็จะเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นการไม่ประพฤติการ เสกการเลยหรือไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครเลยถึงอแม้จะมีสามีมีภรรยาอยู่ก็ตามวันนั้นก็ถ้าถือศีลแปดเมื่อไหร่กิจกรรมอันนี้ก็ต้องยุติไปก่อนถ้าอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องแยกห้องกันอยู่เพื่อความปลอดภัยเพราะเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันถ้าามีการแตะนื้ต้องตัวมีการเห็นหน้าเห็นตากันมันก็ อาจจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้และอาจจะทาให้ไม่สามารถรักษาสิงข้อนี้ได้การถือสินแปนี้จึงจาเป็นที่จะต้องปีกตัวเองออกจากผู้ที่ไม่ได้ถือสินแปเพราะว่าถ้าไปอยู่กับผู้ที่ไม่ได้ถือสินแปเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองสิลข้อสามนี้ก็เป็น ของศีล8ก็คือการไม่ประพฤติการไม่ไม่มีการประพฤติการร่วมหลับนอนกันหรือเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่แล้วก็เพิ่มศีลข้อที่6ศีลข้อที่6ก็คือไม่ให้เราเสกความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารได้เพื่อประทังชีพ คือให้รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยายานี่เราต้องกินเวลาไม่สบายร่างกายเวลาไม่ไม่สบายที่ที่เกิดจากความหิวนี่ก็เรียกว่าเป็นการไม่สบายอย่างหนึง่งอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยาอย่างหนึง่งที่จะมาระ ง, งับความหิวได้แต่ไม่จาเป็นจะต้องรับประทานแบบสามสี่มื้อด้วยกันรับประทานเพียงมื้อเดียวสองมื้อนี่ก็พอเพียงต่อการ กำจัดความหิวทางร่างกายได้แล้วผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็อาจจ ะ, ะถือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอาจจะยังอาจจะรับประทานสองครั้งอยู่เช่นตอนเช้าและตอนกลางวันแต่ถ้าได้ปฏิบัติไปมากๆแล้วก็อาจจะรวมอาหารสองสองมือนี้มาเป็นมื้อเดียวเลยก็ได้เพื่อจะได้อ่า ตัดความยุ่งยากในเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อไม่ให้เสียเวลามากก็รับประทานเพียงครั้งเดียวเลยแต่ก็ปริมาณก็อาจจะเท่ากันคือปริมาณที่เรารับประทานสองครั้งนี้มารวมกันเป็นครั้งเดียวไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กับการภาวนากับการเจริญสติ นั่งสมาธิเจริญปัญญาตามลาดับต่อไปนี่คือสิลข้อที่6ศสิ่ข้อที่7็ก็คือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจากการบันเทิงจากมหัศจรรยจากการกินการดื่มจากการดูการฟังและจากการเสริมสวยความงามของทางร่างกาย เราไม่ต้องการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันใช้เวลามากมันเสียเวลาจะทำให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมกันนั้นเองถ้าต้องการปฏิบัติธรรมก็ต้อ ง, งระงับกิจกรรมเหล่านี้ไปเวยสิ่งข้อที่เจ็ศแลสิงข้อที่แปดก็คือให้หยุดการไม่ไม่ให้นอนมากเกินไปตามปกติร่างกายนี้ ถ้าพักผ่อนได้คืนละสี่ห้าชั่วโมงนี้ก็จะพอต่อการต้องการแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่มันสำราญเป็นเตียงที่สุขที่สบายฟูกหนาะนะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจนี้จะไม่อยากจะลุกใจยังอยากจะนอนต่อยังติดความสุขจากการหลับนอน อันนี้ไม่เป็นส่วนนี้่เป็นส่วนที่ไม่จำเป็นถ้าจะกาจัดส่วนนี้ไปก็ต้องนอนบนเตียงที่ไม่ใช่เป็นเตียงที่สุขที่สบายให้นอนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นพื้นเลยก็ได้ปูผ้าปูเสือ่อถ้าอย่างนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สุขไม่สบาย ก็จะได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาภาวนาต่อ น, นั่นเองนะนี่คือเรื่องของสินสินแปดข้อด้วยกันสำหรับผู้ที่จะใช้ในการภาวนาส่วนสินสิบนี้เป็นอย่างไรพญายมอาจจะไม่เคยได้ยินสินสิบก็คือสินแปดนี้แล้วก็บวกกับอีกข้อหนึ่งเป็นเป็นสีนเก้าแต่ โดยที่เอาศีลเจ็ดนี้มาแบ่งเป็นสองข้อใหญ่ๆศีลเจ็ดนี้แบ่งเป็นสองข้อคืออะไรข้อหนึ่งก็คือการไม่การไม่ดูมหรสพบันเทิงต่างๆนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่เสริมสวยความงามของทางร่างกายถ้ามาถือศีลสิบก็จะแบ่งศีลข้อเจมาเป็นสองข้อแล้วก็มาเพิ่มข้อที่ข้อที่สิบคือการไม่แตะต้องเงินทอง สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองคือนักบวชที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเพราะมีการมีผู้ให้การสนับสนุนมีผู้ให้การเลี้ยงดูปัจจัยสี่เช่นพระภิกษุนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองพระภิกษุสามนเณรจึงถือศีลสิบข้อกันขึ้นไปคือไม่มีการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ใช้เป็นการ ประโยชน์ส่วนตัวถ้ามีเงินทองก็เป็นเรื่องของทางวัดไปให้ทางวัดเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆนอกจากว่าถ้ามีความจำเป็นบางอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองก็ค่อยใช้เงินทองแต่ก็ไม่ให้เก็บเอาไว้เองให้ฝากไว้กับผู้ที่เชื่อถือได้ดูแลรักษาเวลาที่มีความจำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งอาจจะต้องเสียค่าอยู่ค่ายาพิเศษ หรือเสียค่ารถค่าราหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่ให้เก็บเอาไว้ไม่ให้เก็บไว้เองแล้วเอาไปใช้เองเวลาจะใช้ก็ต้องให้ผู้ที่เขาเก็บเงินให้ทองนี้เป็นผู้ไปจ่ายให้ต้องการอะไราเขาก็จะไปจ่ายไปซื้อให้ไม่ให้ไปซื้อเองอันนี้คือศีลสิบข้ออย่าง น, น้ความจริงศีลแปดนี้ ความจริงว่ามันเป็นศีลเก้าแต่เขาเอาข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดมารวมกันแล้วก็เอาข้อที่เก้ามาเป็นข้อที่แปดคือการไม่นอนบนที่นั่งที่นอนที่สํหรานแล้วข้อที่สิบก็คือการไม่แตะต้องเงินทองการไม่ครอบครองเงินทองเพราะเงินทองนี้ถ้าอยู่ใกล้มือมั น, มนจะกลายเป็นเครื่องมือของกิลเลสได้ พอมีเงินปั๊บยิ่งสมัยนี้มีเครื่องใช้ไม้สอยเยอะแยะไปหมดมีเงินก็ซื้อโทรศัพท์มือถือมีโทรศัพท์มือถือก็สั่งซื้ออะไรได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อให้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ต้องการจะกินหรือก็สั่งได้ต้องการจะดูจะฟังอะไรก็สั่งได้ให้งเงินทองนี้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อหาความสงบหาความสุขจากความสงบนี้จํำเป็นที่จะต้องตัดสะพานที่จะพาให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เปรียบเหมือนกับเป็นยาเสพติดนั่นเองเสพแล้วก็จะติดแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่ มาเสพใหม่เพรยังติดรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภาอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไว้เสพพอร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆคือนี่คือที่มาของการเยียนไหวาตายเกิด ของพวกเราทุกคนนีพวกเราทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เรามีความอยากเสพกามกันทั้งนั้นมีกามาตันหามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผัพทพะดงนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อที่จะมาตัดกามตันหาตัวนี้เองการที่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมารักษาศี่งกันรักษาศิลงแตกขึ้นไป ศีลแปศีลสิศีล227เป็นต้นศีลเหล่านี้จะคอยอคอยป้องกันหรือคอยห้ามไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะชนิดต่างๆโดวยวิธีการต่างๆการห้ามไม่ให้มีเงินทองก็เพื่อที่จะได้ไม่มีเครื่องมือเงินทองนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ความอยากได้ดี อยากได้อะไรถ้ามีเงินทองนี่สั่งได้เลยซื้อได้เลยได้มาแล้วก็มีความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ความสุขก็หมดไปแล้วก็ต้องไปหาใหม่ซื้อใหม่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาร่างกายตายไปก็ยังอยากจะกลับมาซื้อใหม่อัอนนี้ถ้าต้องการที่จะยุติ ความทุกข์ที่เกิดจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ข้อศีลข้อที่สิบนี้ก็สําคัญในศีลสิบคือการไม่แตะต้องเงินทองยกเว้นว่าถ้าเป็นแม่ชีที่ยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองอยู่ก็อาจจะต้องมีเงินทองไว้บ้างไว้สําหรับค่าใช้ใจ่ายแต่ต้องใช้แต่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือใช้กับปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาัย เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ต้องใช้แบบมักน้อยสันโดษด้วยไม่ใช่ใช้แบบฟุ่มเฟือยเป็นนักบวชนี้ต้องอยู่แบบขอทานอย่าไปอยู่แบบเศรษฐีเป็นบวชชีแล้วแต่ยังขี่เบนซ์ยังอ ย, อยู่อยู่คอนโดนอะไทำนองนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองในระดับนั้นถ้าต้องใช้เงินมทองมาก ก็ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาใช้แต่ถ้าไม่ต้องใช้เงินทองเลยก็จะได้ตัดเวลาตัดเรื่องของการไปหาเงินหาทองได้จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่งั้นเรื่องของการรักษาสีนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีเวลาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ ถ้าไปบวชเป็นพระนี่มันก็ถูกพระธรรมวินัยนี้ห้ามไว้แล้วให้อยู่ตามวัดตามวาให้อยู่ตามป่าตามเขาไม่ให้อยู่แบบหรูหราไม่ให้อยู่แบบโกเกะให้อยู่แบบเรียบง่ายอยู่เพื่อปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วจะได้มีเวลามามำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องการจะทําการปฏบิบัติบูชานี้จําเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจก่อนว่าจะต้องในระดับศีลนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องรักษานอกจากศีลแล้วยังมีข้อที่เรียกว่าศีลพิเศษคือข้อทุดงขวัตต่างๆทุดงขวัตนี้ก็เป็นเหมือนกับศีลพิเศษแต่ไม่บังคับ ให้เลือกเอาถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างเคร่งคัดเพื่อควบคุมกิเลสความอยากให้มันน้อยลงไปก็ต้องมีอาศัยการใช้ทุดงขวัตทุดงขวัตก็เกี่ยวกับการบริโภคปัจจัยสี่ด้วยวิธีการต่างๆเช่นถ้าเป็นพระภิกษุนี้ก็ไม่ให้ขี้เกียจให้ไปหาอาหารด้วยการบินตบาร การบินตบาทนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ที่ไปบินตบาทและผู้ที่ใส่บาทญาติโยมก็จะได้ทําบุญได้สนับส น, นุนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้กําจัดความเกลียดคร้านแล้วก็ช่วยเสริมความมากน้อยสันโดษเพราะการบิณตบาทนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเลือกอาหารกินได้ก็กินไปตามมีตามเกิด ได้อะไรมาญาติโยมใส่อะไรมาให้ก็กินไปตามมีตามเกิดอันนี้ก็เป็นการปราบกิเลสความอยากกินอาหารชนิดต่างๆถ้าไม่บินตบาตแล้วมีเงินซึ่งในยุคนี้ก็มีการถวายเงินถวายซองอยู่เรื่อยๆไปสวดมนต์ทีก็ได้ซองมาพอมีเงินก็เลยความขี้เกียจก็เลยออกมาขี้เกียจตื่นเช้าขี้เกียจไปบินตาบาด มีเงินแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารที่อยากกินได้ได้อาหารที่ถูกปากกว่าอาหารที่ได้จากบินทบาทมันก็จะทำให้เกิดความเกลียดคล้างขึ้นมาเนี่ยสมายนี้พระที่อ้วนๆนี่ลองไปสังเกตดูเพราะว่าไม่ได้บินทบาดเกลียดค้างกันไม่ได้ถือทุดงเขวัดกันกินสองมือกินเช้ากินกลางวันกันแล้วก็กินอาหารที่ถูกปากถูกใจ พ่ามีเงินมีทองสามารถที่จะสั่งอาหารชนิดต่างๆมารับประทานได้ยิงเกิดเป็นปัญหาทางคณะสงฆ์ต้องหาวิธีกำจัดด้วยการไปฟิตเนสเป็นด้นอะไรเดินฟิตเนสอะไรขึ้นมา ก, กลายเป็นเรื่องของความบ้าสังคมไปบ้าตามสังคมไปถ้าเป็นพระที่ปฏิบัติทวดงขวาวนี้จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโรคของความอ้วนต่างๆ พระบินทบาทนี้พระปะ่านี้บินทะบาทอย่างน้อยเดินเดินเดินไปกับนี่อย่างน้อยสี่ห้ากิโลเพราะวัดจะอยู่ห่างจากบ้านหมู่บ้านประมาณทักสองกิโลเดินเข้าไปสองกลับมาอีกสองแล้วในเดินในละแวะกว่านอีกประมาณกิโลหนึ่งก็จะได้ออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเดินทีห้ากิโลได้กันแล้วกลับมาก็ถือทุดองขวาวัดฉันมื้อเดียวเอง ก, กินแค่มื้อเดียวเท่านั้นเอง แล้ว ก, กินง่ายๆกินในบาตรฉันในบาตรเอาอาหารที่ได้จากมินตบาตมารวมกันในบาตรเพื่อที่จะได้ไม่เสริมความอยากกับเรื่องอาหารไม่แยกเป็นภาชนะอาหารชนิดนี้อยู่จานหนึ่งอาหารชนิดนี้อยู่อีกจานหนึ่งถ้ากินแบบนี้มันกินตามความอยากแต่ถ้ากินในบาตรฉันในบาตรนี้มันมันทำลายความอยากนอาหชนิดต่างๆได้สำหรับบางท่านก็ถึงกับเอามารวมกันนํ้ามาคลุกกันเลย ให้เป็นอาหารจานเดียวทั้งขาวทั้งหวานใส่ไปในบาตรแล้วก็คลุกกันโดยถือหลักว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีกินยากกันยังไงแต่พอมันเข้าไปในท้องมันก็ต้องเข้าไปอยู่มันก็ต้องไปคลุกกันอยู่ดีในท้องดังนั้นถ้ากินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อกิลเลสไม่ได้กินเพื่อความอยากก็ต้องกินแบบทุดงกินแบบพระทุดงฉันในบาตรันเมื่อเดียว เบญทบาทเป็นวัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นศีลพิเศษแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามันเป็นของที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติกันจึงไม่บังคับไม่บังคับให้อยู่ในศีล227้อเข้อเพราะถ้าไปบังคับแล้วอาจจะไม่มีใครอยากจะมาบวชก็แล้ว <c oughs> ก็เลยต้องผ่อนตนแล้วก็ให้เลือกเอาเป็นเป็นเรื่องเป็นเหมือนกับออปชั่นพิเศษเหมือนกับเวลาไปซื้อรถยนต์นี่ ก็มีราคาพื้นฐานแล้วถ้าอยากจะเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปก็ต้องเสียเพิ่มถึงจะได้สิ่งที่ต้องการแต่ใดศีลก็เหมือนกันนอกจากศีล227รของพระแล้วยังต้องมีศีลพิเศษมาเพิ่มให้อีกส3บข้อด้วยกันเรียกว่าทุดงควัตส13แต่ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทั้ง13ข้อให้สามารถเลือกปฏิบัติเอาตามแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติที่จะเลือกได้ มีเกี่ยวกับเรื่องของการฉันขบฉันเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการใช้ผ้าจีวรและเรื่องของการทําความเพียรเช่นในสัศชิกคือไม่นอนเลยแทนที่ยังถือข้อที่ไม่นอนบนผูนานาเตียงใหญ่ๆแล้วก็นะถือว่าไม่นอนเลยมีเตียงหรือไม่มีเตียงก็ไม่สําคัญนะถ้าถือในสัศชิกคือไม่ไม่เอ็นหนังรับ ถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งท่ายืนท่าเดินท่านั่งเท่านั้นเองแต่ข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิบัติเป็นนิจศินเป็นตลอดเวลาก็ปฏิบัติเป็นพักๆไปเป็นช่วงๆไปช่วงไหนที่อยากจะกระตุ้นความเพียรอยากจะขยับให้มีความเพียรมีการปฏิบัติมากขึ้นก็อาจจะถือข้อนี้เพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติไม่ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหลับนอนต่างๆ นี่คือเรื่องราวของศีลที่จะมาเป็นสิน่งที่จะมาสนับสนุนในการปฏิบัติทำขั้นสูงคือขั้นขั้นสมาธิและขั้นปัญญาเพื่อที่จะได้รับรางวัลต่างๆของทางพระพุทธศาสน า, าการปฏิบัติศีลอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้รับรางวัลขั้นสูงต้องรับถ้าต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติสมาธิต้องปฏิบัติปัญญาเพื่อละสังโยชน์ทั้งสิบให้ได้ เมื่อละสังโยชน์ทั้งสิคือกิเลสธนิษ ต, ต่างๆนี้เรียกว่าสังโยชน์เมื่อละได้แล้วก็จะได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลที่ห้าเป็นแปถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็รางวัลที่ห้าถ้าทางศาสนาก็เป็นสี่รางวัลด้วยกันห้ารางวัลก็เหมือนกันโสดาบันสกิดาคามีอาณาคามีอรหรันแล้วก็นิพานที่เราเรียกว่ามรรคผลนิพานมรรคสีนิพานสี เป็นผล ท, ท, ที่จะเกิดกับผู้ที่ทำการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการบูชาระหว่างการระหว่างอามิตรบูชาและการปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูชานี่แหละคือการปฏิบัติที่แท้จริงการบูชาที่แท้จริงถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมคสอนพระอริยสงสากอย่างแท้จริง ผู้ปฏิบัติผู้ที่จะทำการบูชาก็ต้องทำการบูชาด้วยการปฏิบัติบ ja ูชานั่นเองแต่ก็ถ้ายังปฏิบัติบูชาไม่ได้ก็ให้เริ่มที่อามิตรบูชาไปก่อนทำบุญทำทานสนับสนุนพระพุทธศาสนาไปก่อนแล้วก็เมื่อมีกำลังแก่กล้าขึ้นก็เริ่มปฏิบัติบูชาต่อไปนี่คือเรื่องราวของการนำเอาเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนา มาฝากให้ท่านได้ศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลายวขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสคกรามเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุ ป, ป ก, ปกปัปติ เอชิตังปฏทถิตังตุมหางคิดว่าเมวะสมิจจโตสัพเพปรเณตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินาสตุ มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกาวะอภิวะธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังฮาลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะจะเป็นช่วงเดียวที่จะมีการถามตอบได้หลังจากที่เลิกแล้วมันจะไม่สะดวกเพราะต้องมีกิจกรรมอย่างต้องทาต่อบงนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือส่งข้อความผ่านทางมือถือเข้ามาทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้ใครมีอยากจะถามอะไรวันนี้เชิญถามได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่งบกรับนำ้ำมสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ375ร o อยเจ็ดสิบห้าปพระสุชาติไลฟ์สองร้อยสี่สิ V c ี่ n n e l 107วชหนึ่งร้อยเจ็ด วิทยุออนไลน์8ปดคลับเฮาส์ผู้รับฟังหน้ากุฏิ148รวม895ท่านเจ้าค่ะโอเคถ้า okay. ม, มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ้าค่ะมีทั้งหมด3ามคำถามคำถามที่1 พี่สาวเป็นนักปฏิบัติธรรมหมั่นสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นเวลาแต่มีนิสัยที่โกรธโมโหง่ายเอะอาเสียงดังคนในบ้านจึงสงสัยว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วไม่เห็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงของกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอยากให้นิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโยมควรทำอย่างไรทำไมนิสัยของพี่สาวจึงเปลี่ยนยากนักเจ้าคะ พรามันไม่ใช่ของง่ายนะของง่ายก็มันก็เปลี่ยนกันได้ไบหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัตินี่ก็อาจจะปฏิบัติเป็นทางกิริยาอย่างเดียวก็มีอาการของการปฏิบัติมีการเดินมีการนั่งแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติที่แท้จริงตัวปฏิบัติที่แท้จริงคือใจและตัวที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติก็คือสติถ้าปฏิบัติโดยไม่มีสติ ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดพูดหรือทําอะไรตามที่เคยคิดเคยพูดก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกนี่ต้องมีสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาควบคุมอารมณ์เวลาเกิดความโลภก็ต้องระงรับมันเกิดความโกรธก็ต้องระงรับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันระบายออกมาเวลาที่เราระบายความโลภความโกรธนี่มันเป็น อาการของการไม่มีสติแล้วถ้ามีสตินี้จะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังโลภเรากำลังกโกรธเราจะต้องไม่อนุบายมันออกมาดันัการปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ที่กิริยาการที่เราเห็นภายนอกอยู่ที่กิริยาการของจิตเองว่าสามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆของตนเองได้หรือไม่เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติบางทีก็ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าปฏิบัติอะไรคือตัวปฏิบัติบางคนที่ว่าได้เดินจงกรมแล้วได้นั่งสมาธิแล้วแต่นั่งใจก็ลอยเดินก็ใจก็ลอยไม่มีสติอยู่กับร่างกายเวลาเดินไม่มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธมัวแต่ปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยไปอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัตินะ ปฏิบัติแต่ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้ไม่ได้ปฏิบัติเลยยั้นถ้าปฏิบัติแบบนี้ต่อให้ปฏิบัติกี่ปีมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีผลกิริยาการนิสัยอะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คําถามที่สองการที่โยมร้องเพลงฟังเพลงถือว่าโยามมีกิเลสหรือไม่และเป็นสิ่งที่ควรจะต้องละหรือไม่เจ้าคะเป็นการมาฉันทะ ความอยากความชอบความโลภในเสียงเพลงยังอยากหาความสุขอยากเสียงเพลงอยู่ซึ่งมันเป็นเหมือนความสุขแบบยาเสพติดมันเสพเวลาไม่มีเพลงฟังหรือฟังฟังแล้วมันเบื่อมันเก่าอย่างนี้มันก็แทนที่จะเป็นความสุขมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ยังไงเปลี่ยนการหาความสุขแบบที่ไม่เป็นยาเสพติดนี่ปะก็คือความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบ อันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะไม่เบื่อและที่จะมีให้เราเสพได้ตลอดเวลาคำถามที่สามยมกราบขอโอกาสขอวิธีการสร้างบุญบารมีให้มีมากขึ้นด้วยเจ้าค่ะก็ทำให้มากขึ้นนะไม่ยากไลยทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากทำไมททงหวยรู้หรอจะซื้อกี่ใบไม่ซื้อกี่ใบใช่ ฝากถามเจ้าค่ะในโลกทิพย์ฝั่งที่ไม่ไปเกิดคือมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในฝั่งนั้นจะได้พบเจอกันหรือไม่หรือว่าในฝั่งนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรครับ อ, อ๋อก็ตัวใครตัวมันจะฝั่งนั้นไม่ยุ่งกับใครแล้วยุ่งกับเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเองอยู่อยู่กับความว่างความสุขที่แท้ จ, จริงก็คือความว่าง ถ้ามีอะไรปุ๊บมันเรื่องมีเรื่องมีราวขึ้นมาทันทีเห็น <c> ท <oughs> ่านไม่สนใจที่จะไปเจอใครแล้วท่านต้องการความว่างความสงบคำถามที่สองเจ้าค่ะมรแปดเมื่อนํำมาปฏิบัติโดยใช้ศีลสมาธิปัญญาแทนและในที่สุดศีลสมาธิปัญญาก็จะ ก, กลั่นกรองเหลือแค่ใจที่บริสุทธิ์แทนใช่ไหมครับใช่ เป็นเครื่องมือที่ทำลายกิเลสตัณหาที่มีในใจให้หมดไปด้วยศีลแปดหรือ ด, ด้วยด้วยมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าย่อให้มันสั้นลงก็เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าขยายให้มันละเอียดก็กลายเป็นมรรคแปดตัวเดียวกันคำถามที่สามเจ้า ค, ค่ะ เราต้องสะสมบุญไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้านิพพานถึงจะไม่ต้องการบุญใช่หรือไม่ครับเปรียบบุญเหมือนเรือที่ต้องทำจากทานศีลภาวนาตลอดหวังและปรารถนาตลอดพอถึงฝั่งคือนิพพานเป็นพระอรหันต์ค่อยสละเรือทิ้งใช่ไหมครับใช่ถ้ายังอยู่ในเรืออยู่ก็ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยพวกกาลาสีนี่พอเข้าถึงฝั่งรบเข้มาอยู่บนเรือแล้วก็โดดไปเที่ยวกันนะใช่ไหม ไม่ใช่เขาขออยู่ในเรือต่ออห้อยู่ในเรือต่อมันจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันอยู่ในฝั่งอยู่กลางทะเลมันก็เหมือนกันคําถามจากคุณภวนนกเจ้าค่ะขอกราบเรียนฐานพระอาจารย์ครับการทําบุญปฏิบัติธรรมต่อในสวรรค์ได้อย่างไรครับส่วนใหญ่จะทําไม่ได้นะเรื่องการทําบุญนี้เป็นเพาของมนุษย์เท่านั้นที่จะทําบุญแลอทํำบาปได้อย่างเต็มที่ ถ้าพบของเทวดานี้และทําได้ก็เฉพาะผู้ที่มีสนใจถึงองค์การปฏิบัติธรรมเช่นถ้าเป็นโสดาบันแล้วตายไปยังไม่ได้เป็นถึงนิพพานก็จะไปเกิดบนสวรรค์โสดาบันก็จะปฏิบัติธรรมต่อไปได้เพราะมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นนิสัยที่ชอบปฏิบัติธรรมแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นพวกเทพที่มีความใฝ่บุญใฝ่กุศลชอบฟังเทศฟังธรรมชอบศึกษาธรรม อันนั้นก็ถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอาหารหันต์ที่มีมีความสามารถที่จะติดต่อกับพวกเทพได้ก็จะสามารถไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารหันต์ต่างๆได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับการไปเกิดบนสวรรค์ก็เหมือนกับกา ร, ราไปท่องเที่ยวเวลาเราไปท่องเที่ยวเราสนใจกับเรื่องการที่จะไปเรียนไปปฏิบัติธรรมไม่สนใจในชะ่ ขอกูเที่ยวอย่างเดียวให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาแล้วค่อยมาปฏิบัติต่อคำถามจากคุณวิทยาเจ้าค่ะที่ศรีลังกามีการบวชพิษุณีใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องไปค้นคว้าหาดูเองคำถามจากคุณจุธาทิตย์เจ้าค่ะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งหลังทาบุญเราต้องกรวดน้ำทุกครั้งใหม่เจ้าค่ะไม่จาเป็นนะ แ, แล้วแต่เรา การกวดน้ําก็คือการอุทิศบุญบุญที่เราทํานี้เราสามารถแบ่งให้ผู้ร่วงรับไปแล้วได้เล็กน้อยถ้าเขาเป็นเปรตเขาเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเขาก็จะมาขอบุญจากเราเราก็อุทิศการอุทิศนี้ก็ไม่จมําเป็นจะต้องใช้น้ําอุทิศนน้ํานี้เป็นเพียงตัวอย่างของบุญเพราะว่าคนบางคนไม่เข้าใจว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยเปรียบเทียบบุญมันเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนน้า เราเอาบุญเอาน้ำจากภาชนะหนึ่งเทเข้าไปภาชนะหนึ่งก็คือเอาบุญจากใจหนึ่งไปสู่อี ก, อกใจหนึ่งเท่านั้นเองแตการอุทิศบุญจริงๆนี่อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความนึกคิดของเราเวลาเราทำบุญเสร็จเรามีความสุขที่เกิดจากการทำบุญแล้วก็บอกว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่รารับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้หรือใครก็ได้ ถ้าเขามารอรับอยู่ก็ขอให้เขารับไปเท่านี้ก็เสร็จไม่จาเป็นจะต้องมีผ้ามาสวดญาถาสัพพีไม่ต้องมีน้ำมาคอยกรวดอันนี้เป็นเรื่องของผู้ทาบุญโดยตรงโดยฝ่ายเดียวพระเพียงแต่อนุโมทนากอแสดงความยินดีกับการทาบุญและการแบ่งบุญของเราเท่านั้นเอง <c oughs> คำถามที่สองเจ้าค่ะ การฝากให้ผู้อื่นทําบุญแทนจะเหมือนกับตัวเราไปทําบุญเองไหมเจ้าคะก็บุญที่เราได้ที่เราได้จากการเสียสละนี้เท่ากันเช่นเรามีเงินร้อยหนึ่งเราฝากเขาไปทําบุญร้อยหนึ่งนี่เราก็ได้บุญร้อยหนึ่งแต่บุญที่เราไม่ได้บุญหนึ่งก็คือความขยันเราขาดตรงนี้เพราะเราขี้เกียจไปหรือไม่สะดวกที่จะไปเราก็เลยไม่ได้บุญที่เกิดจากการมีความภาคเพียรคือวิริยะ อันนี้้ก็จะไไม่ไดคำถามจากคุณวาสนาเจ้าค่ะรักษาศีลแปดแล้วรู้สึกอ่อนเพียวกราบขออุบายแก้ไขบรรเทาแบบไหนได้บ้างเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะก็กลับไปถือศีลห้าก่อนก็แล้วกันคำถามจากคุณนวนาเจ้าค่ะ คุณแม่ชอบพูดแรงๆใส่ให้โยมเสียใจแล้วคุณแม่ก็ทําเหมือนลืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยกล่าวขอโทษโยมควรวางใจอย่างไรไม่ให้เป็นแผลในใจตัวเองและยกโทษให้คุณแม่ได้แม้จะไม่เคยได้รับคําขอโทษเลยเจ้าค่ะก็เพราะว่าโยมไปมองแม่ในมุมผิดไงมองแม่เหมือนกับเป็นเป็นเป็นลูกแทนที่จะเป็นแม่แม่เขาเป็นแม่แม่เป็นผู้บังเกิดก้า ผู้มีพระคุณกับเราอย่างสูงเปรียบเทียบก็เหมือนกับท่านเป็นเจ้านายเราเราเป็นลูกจ้า ง, ขงเข า, าเวลาเจ้านายเขาดา่าเราเขาไม่ต้องมาขอโทษเราหรอกเราต้องไปขอโทษที่เราไปโกรธเขาเพราะงั้นเราต้องลองให้รู้จักฐานะของเราความสัมพันธ์ของเรากับแม่มันเราไม่เสมอกันเราไม่ได้เท่ากันกับแม่แม่เขาสูงกว่าเราสูงด้วยพระคุณไม่มีแม่เราจะมีเราไม่ได้ เราต้องนันึกถึงบุญคุณของแม่นึกถึงสถา น, นาภาคของแม่ว่าแม่นี้เป็นผู้ให้เราเป็นหนขอทานเราเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นเวลานายจ้างเขาโกรธบ้างเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็ต้องเอ า, ายัยอย่าไปถือโทษก่อนเกินแต่อย่าไปหวังให้แม่มาขอโทษเราอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแม่คถามจากคุณธีรวุฒิเจ้าค่ะ มีวิธีฝึกสติให้รู้ตัวตลอดเวลาอย่างไรครับบางทีผมนั่งสมาธิใจจะลอยตลอดเวลาครับก็ต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้ น, นมาปุ๊บก็เริ่มท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไปทํากิจอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปนั่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทํางานพุโทโธได้ตลอดเวลาทํางานถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไป ถ้าทําอย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธินี้ใจจะมีสติควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้คําถามจากคุณสุปราณีเจ้าค่ะหากเรามีคู่จากอดีตชาติติดตามกันมาเราควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าคะบุญกุศลที่ทําจะถึงเขาใหม่เจ้าคะบุญใครบุญมันก็แล้วแต่เราอยากจะปฏิบัติก็ วิธีปฏิบัติกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็คือปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาคือต้องมีพรหมวิหารสี่เมื่อแล้วแต่เราจะใช้แต่แล้วแต่เหตุการณ์ปกติก็ต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานต้องถือว่าทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนให้ความสุขกับเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่นังแกเขาแล้วก็ถ้าเขาเดือดร้อนก็ให้ความกรุณาช่วยเหลือเขา ถ้าเขาได้ดิบได้ดีก็แสดงความยินดีมุตาชติดถ้าเขาเป็นอะไรแล้วเราช่วยเขาไม่ได้เช่นไปติดคุกติดตารางเราก็ต้องปรงว่ามันเป็นกรรมของเขาไปอย่าไปทุกข์กับเขาคาถามจากคุณเตชินีเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นภูเขาเหมือนตัวเองอยู่ในถ้าตลอดเวลาแบบนี้เรียกว่าจิตรวมหรื อ, อยังเจ้าคะเรียกว่าจิตร้อนไม่ใช่จิตรวม ถ้าจิตดวงแล้วมันจะว่างจะไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรนะมีแต่ความว่างมีแต่ความเย็นความสุขความสบายนเวลานั่งต้องมีสติถ้าไม่มีสติล้วจะถูกจิตมันร้อนมันหลอกมันจะปรุงเรื่องความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไได้แล้วเหรอจ้ค่ะไม่มีก็ดีมีใครอยากจะถามไร้ไหมถามได้นะ เดี๋ยวรอให้เผื่อมีใครกําลังพิมพ์ส่งกําลังส่งคําถามเข้ามาอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> ถามได้ในะตอนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวพอแล้กวก็จะมาถามไม่ได้นะเพราะว่าไม่สะดวกเดี๋ยวแล้กวก็เข้ามาการนันการเลขาข้าราชการว่ามาเลยเออเป็นแม่สามารถทำบุญมาแล้วมอบบุญทั้งหมดให้ลูกได้ไหมคะอ๋อถ้าอยากจะมอบบุญให้ลูกก็ให้เงินไปให้เขาไป แล้วเขาก็ไปทําบุญของเขาเองบุญของใครของมันเราทําแทนกันไม่ได้เหมือนกับการรับประทานอาหารนี่เรากินแทนเขาไม่ได้แต่เราให้เงินเขาไปซื้อหามากินเองได้ถ้าเราอยากจะให้เ้าบุญแต่เราสั่งเขาไม่ได้นะสัมงว่ลูกเอาเงินนี้ไปทําบุญนี้ mm hmm. ก็จะไม่ได้เป็นบุญเพราะบุญต้องเกิดจากการเสียสละของเขาเขาต้องมีเงินของเขาเองแล้วเขาอยากจะทําบุญเขาถึงจะได้บุญ เขาถามเรียนถามต่อว่าแล้วเราเอารูกฝากเงินมาทําบุญนะด้วยนะคะถ้าเป็นเงินของเขาไม่ครับเป็นกองกลางนะคะไว้ไว้ที่บ้านค่ะแล้วก็เอาเงินกองกลางไปไปทาบุญที่ทังบ้านอย่างนี้ก็เป็นของกองกลางคือทุกคนที่เป็นเจ้าของเงินก็จะได้บุญก็ต้องแล้วแต่ว่าคนที่คนอื่นที่เป็นเจ้ามีส่วนด้วยเขาจะยินดีหรือไม่ก็ต้องขออนุญาตบอกกันล่วงหน้าก่อนว่าขอเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญนะ ถ้าเขาบอกอยินสาธุยินดีเขายินดีเขาอยากจะร่วมบุญด้วยเขาก็จะได้บุญแต่บางทีเขาเสียดายเงินเขาก็จะไม่ได้บุญ เ, เอาเงินไปทําบุญทําไมหามาแทบเป็นแทบตายอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้บุญฉะนั้นการทําบุญก็ต้องเป็นเงินของเราอะดีที่สุดเป็นของของเราแล้วทําแล้วเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นของคนอื่นถ้าเป็นีเจ้าของห้าคนแล้วก็ได้แค่ส่วนเดียวหน 5, ึ่งในห้าเท่านั้นเอง เพราะมันไม่ใช่เป็นเงินของเราทั้งหมดไม่เป็นไรน้าตานี้ก็ไม่ได้เป็นความทุกข์การปฏิบัติบางทีมันมีความเพิ่มปิติมีความรู้สึกทราบซึ้งใจมันก็ทาให้เกิด น, น้ำตาได้แต่ก็ไม่ควรจะปล่อยมันแสดงว่าตอนนั้นสติเราค่อนข้างจะอ่อนลง ก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองมามีไหมคำถามมีเจ้าค่ะคำถามจากคุณหนุ่มเจ้าค่ะกราบขอโอกาสถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้าอยากมีเมตตาซื้อควรจะซื้อลอตเตอรี่ใหม่ครับก็ถ้าเราปฏิ ญ, ญาณไว้เราไปทำแล้วก็ทั้งแสดงว่าเราไม่มีสัจจะ เราโกหกตัวเองหล อ, อกตัวเององัหน้าเรามีปฏิญาณแล้ว เ, เราทําบุญอย่างอื่นได้ ซ, ซ, ซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของให้เขาเก็บใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อหวยเพื่อให้เมตตากับเขาคําถามจากคุณยินเจ้าค่ะนั่งสมาธินึกพุทโธพุทโธพร้อมกับนึกตัวอักษรคําว่าพุทโธไปด้วยได้ไหมเจ้าคะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมันมันยุ่งยากมากเกินไปอื เอาแค่พุโทโธพุโทโธคำเดียวดีกว่าง่ายกว่าคำถามจากคุณทิติชยาเจ้าค่ะหากพิจารณาร่างกายเดินปัญญาอย่างไรต่อเจ้าคะถ้าพิจารณาร่างกายก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟ โรงงานที่ผลิตร่างกายก็คือแม่เราแม่เราเป็นผู้ผลิตร่างกายนี้ออกมาเราเพียงแต่มาครอบครองไว้เป็นสมบัติชั่วคราวนั่นเองเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆผ่านทางความคิดของเราเราคิดอยากจะมาที่นี่เราก็สั่งให้ร่างกายมาที่นี่แต่ตัวร่างกายกับเราเป็นคนละคนกันนี่คือการพิจารณาร่างกายเพื่อเวลาที่เกิดตอนจะต้างแยกทางกันจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ ต้องรู้ว่าร่างกายกับเรานี้จะต้องแยกทางกันเหมือ น, นเรากับรถยนต์ของเราเนี่ยเราเป็นคนขับรถยนต์เป็นเป็นผู้ที่รับคําสั่งของเราพาเราไปไหนมาไหนแต่วันหนึ่งรถมันก็ต้องเสียต้องพังไปแต่เราเป็นคนขับเราไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับมันนี่คือการพิจารณาร่างกายพิจารณาแบบนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดจะทําให้เราทุกข์นั่นต้อง ที่ยที่ยึด ท, ท, ท, ที่ติดเพราะลืมไปเพราะหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายไม่เที่ยงสักวันหนึ่งจะต้องจากกันถ้าคิดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะได้ไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจคําถามจากคุณพงพันธ์ุเจ้าค่ะเราจะรักษาสภาวะจิตให้เป็นอุเบกขาในระหว่างใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรครับอุเบกขาเกิดจากการมีสติ ถ้ามีสติมากอุเบกขาก็จะมากอุเบกถ้ามีสติน้อยอุเบกขาก็จะน้อยนั้นขึ้นอยู่ที่สติของเราถ้าไม่มีถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็รีบสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปพอเริ่มโกรธทายขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธหยุดไปต่อสู้เขาหยุดไปถีงกับเขาอยุดไปมีเรื่องกับเขาดึงใจกลับมาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปคําถามจากคุณวาสนาเจ้าค่ะ ทำบุญแล้วให้เจ้ากรรมนายเวรหรืออื่นๆเราจะได้บุญนั้นด้วยหรือไม่เจ้าคะบางคนบอกว่าให้ให้บุญตัวเองก่อนให้ตัวเองมากๆเดี๋ยวตัวเราจะไม่มีบุญถ้ามัวแต่ให้แต่คนอื่นถราก็ทำบุญก็ได้บุญแล้วไงทำบุญที่นี้เรารู้สึกว่าเราบุญเราเยอะแล้วเราอยากจะให้คนที่เขาไม่มีบ้างหรือให้ได้แต่เฉพาะคนที่ทำบุญไม่ได้ คนที่ทําได้เช่นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เราให้เขาไม่ได้ให้เขาทําเองได้มากกว่าแต่ให้คนที่เขาทาบุญไม่ได้คือดวงวิญญาณต่างๆก็ให้ดวงวิญญาณไปแล้วการให้ดวงวิญญาณให้บุญกับดวงวิญญาณก็ทําให้เราได้บุญอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาคําถามจากคุณจุธาทิพย์เจ้าค่ะการไปนิพพานคือไปอยู่ในสถานที่ที่ไหนเจ้าคะก็ อ, อยู่ในจิตเราที่ไม่มีกิเลสนั่นเองไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลง คำ ถ, ถามจากคุณจิรารัตเจ้าคะ่ะการ น, นำอาหารไปถึงวัดแล้วนำไปส่งเข้าโรงครัวเองโดยตรงมีผลบุญเท่ากับการไปใส่อาหารลงบาตพระภิสุใหม่เจ้าคะก็มันก็ส่วนที่เป็นของมันก็เท่ากันแต่ส่วนที่ไปปรุงไปทำนี่เราไม่ได้ทำนี่ถ้าเราทำอาหารเองเราก็ได้บุญส่วนนี้ บุญที่เกิดจากการทาความเพียรอย่างถ้าเราไปซื้ออาหารสาเร็จรูปมานี้เราก็ไม่ได้ทำอาหารเราก็ไม่ได้ส่วนนั้นคำถามจากคุณวิทยะเจ้าค่ะถ้าต้องการเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันต้องทำให้ครบทั้งทานศีลภาวนาใช่ไหมครับก็จาเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะเป็นเหมือนกับ การที่จะเรียนปริญญาได้ก็ต้องผ่านชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมก่อนตอนนี้คาถามไม่มีเจ้าค่ะมีใครติดใจอะไรไหมอ่ะว่ามาอาจารย์เวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ๆเป็นโค้งกระดูกข้างไนเนี่ยแต่ก็ทก่อนก็จำเอาไว้แล้วเวลาต่อไปเวลาเห็นข้างล่างกายของใครก็ให้นึกถึงโครงกระดูกของเขาจะได้ไม่หลงไปที่ว่าเขาสวยเขาหล่อ มันถ้ารอมันมาเองเกิดเวลาไปเห็นของสวยของงามมันอาจจะไม่มาแล้วเราก็จะไปหลงเนี่เราต้องพยายามนึกจนกระทั่งมันเป็นนิสัยเราสามารถมองทุกคนให้เห็นโครงกระดูกของทุกคนได้ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วการอารมณ์มันจะไม่เกิดการมันโผล่ขึ้นมานี้ก็เป็นอาจจะเป็นผลที่เกิดจากเราเคยนึกมาก่อนแต่มันยังไม่นึกได้ตลอดเวลาเราต้องมานึกต่อ วเวลาจากสมาธิมาแล้วก็นึกไปว่า น, นึกถึงโครงกระดูกที่เราเห็นเราเห็นร่างกายใครก็นึกถึงโครงกระดูกที่มีอยู่ในร่างกายของคนนั้นไปแต่มาถ้านเป็นนิสัยไปมองเห็นร่างกายของใครก็เห็นโครงกระดูกของเขาทุกครั้งไปถ้าเราต้องการกําจัดกิเลสคือกามไงถ้าเราอยากจะอยู่เป็นโสดอยากจะบวชนี่เราถ้าถ้ายังมีกามอยู่มันบวชไม่ได้มันจะเหงามันอยากจะอยู่กับคนอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟน แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะอยู่กับใครเพราะอยู่แล้วมันมีเรื่องมีปัญหามีความทุกข์เราก็ต้องมองให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยวของก็คือโครงกระดูกเดินได้ดีๆนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะอยู่คนเดียวนะ้ไม่เหงาไม่ว่าเวฮะ เราอยู่ได้เพียงแต่ว่าไม่มีการมารบวมกับเขาไงอย่างตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้แต่ไม่อยากไปร่วมหลับนอนกับเขาเท่านั้นเองยังอยู่ด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ทําอะไรกันได้อยู่อยากจะไม่เป็นคู่ครองกันจะไม่ไปเสพกลางกันเพราะการเสพกางมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่างหนึงเสพแล้วมันก็ติดเวลาไม่ได้เสพมันจะเหงามันจะทุกข์มันจะว้าว ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมันมีหลายวิธีด้วยกันเพราะว่าปัญหาของการมันมีหลายอย่างความรักไปหลงรักเขาว่าเขาสวยว่างามก็ต้องพิจารณาพวกส่วนที่ไม่สวยงามเช่นของกระดูกความรักชีวิตความกลัวตายก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ไปตลอดมันจะต้องตายวันใดวันหนึ่งแล้วมันมันมันมันมีปัญหาที่ต่างกันไปก็ต้องพิจารณาวิธีแก้ปัญหา ที่มันต่างกันไปอันนี้ก็เพื่อดูความไม่สวยง่ายไง<ม>ใช่เวลาแกะหนังออกมาหนังผิวไหม้ขึ้นมาโดนน้ํากดนี่มันจะสวยไหมพอคนโดนสาดน้ํากดที่หน้าอย่างนี้เราเห็นเข้าเราอยากจะเข้ามาเป็นแฟนเราไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผิวหนังว่ามันไม่เที่ยง ม, มันมันเปลี่ยนได้ ตอนนี้มันสดมันสาวแต่เวลามันแก่มันก็เหิวมันย่นได้แล้วเวลาแก่ออกไปมองเข้าไปนึกมันก็จะเห็นเนื้อเห็นเลือดอะไรต่างๆไวการพิจารณาก็อตอนๆ้นก็เป็นสัญญาก่อนแล้วก็ต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ลืมมันก็จะเป็นปัญญาถ้ามันยังลืมอยู่ก็ยังเป็นสัญญาอยู่โอเคนะมีไหม หนึ่งคำถามจ้าค่ะคำถามสุดท้ายในะวันนี้พอแนละ้วคำถามจาคุณนัทพลเจ้าค่นะกราบขอโอกาสพระอาจารย์ขอมุมมองเรื่องของการบูชาพญานาคในปัจจุบันครับก็ไม่ใช่บูชาทางพพุทธศาสนาบูชาที่พูดได้ก็มีสองลันาะนั้นในพุทธศาสนาบูชาด้วยอมบิสบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆหรือด้วยการสร้างถาวรวัตถุให้แก่พุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรตำนองนี้เรียกว่าอามิสบูชาอีกบูชาหนึ่งก็ปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อมรักผลผนิพพานเอาล้นะก่อนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแกเร่เวลาก็ขอให้ท่านจ ง, งามเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ